อันนี้เอามาดูเพยสัตว์ห้าเลยนะครับสายสัตว์ห้าก็คือในสายในสายอันนี้อธิาอบายไปทีเดียวนะครับในสายนี้คืออะไรก็ได้แก่ในสายโคของแพ้ในสายกระ บ, บือเป็นต้นนะครับและของกระเพียกบางสานะสัารที่มีเนื้อเป็นกระเพียกทั้งหลายแหล่นะครับก็มีในสายเป็นกระเพียกโดยใช้ได้ด้วยในชนิดนะอันในสายของสัตวเหล่านี้นะครับ ในข้นก็เหมือนกันในสาเนี่ยคือของฝังหลังนั่นที่ว่างาในสายเขาทํามาจากอะไรครับทามาจากนมกที่ขีครับเน้นจากนมใช่ไหมเ <c oughs> น้นจากนมะ น, นมคะครับแล้วเขา ม, มีทำกรารห้เครืะห์ต่างให้ออกเป็นในไสาในข้นนะครับทีนี้อันนี้แล้วก็น้ํามัน น้ำมันสกัดมาจากเมล็ดงาเมล็ดผักกาดเมล็ดมะซาเมลดละหุ่นปลายมันสั่ครับเปลายมันสั่งนะเป็นก้อนเป็นก้อนนั่นเอนะครับอันนี้คือน้ำมันน้ําผึ้งก็ได้แก่รสหวานที่เมล็ดพึ่งทําจะเป็นผึ้งและกผึ้งใหญ่หรือแม้แต่เลงดู่นะครับแมลงดคู่บางชนิดนะมันจะมีน้ําผึ้งเหมือนกัน แต่ถ้าบอกว่ามันจะมีนักขึ้นเป็นยาครับเป็นยาเหนียวๆแข็งๆเหนียวๆหรอกนะครับนั่ น, นะฮะที่นับอ้อยได้แกร่รสหวานที่เกิดจากอ้อ ย, อยที่เรามาดูทางคำวินิจฉัยเพศัชแต่ล ะ, ยะอย่างอย่างแรกในสายก่อนในสายนะครับข้อหนึ่งว่ารัปรเค้นในตาประสงค์อานไม่ได้ ถือว่ามีโยมเข้าในสายมาถวายเราใช่หมเชา้านะครับในการคือเช้าคือเที่ในการที่เราสามารถฉันกับอาหารได้นะโยกเข้ามาถวายนะเรารับประเคสในการสามารถประสบอาไมคือ อ, อาหารนะครับประสบอาหารฉันได้นะครับถ้ารับประเคสนอกการอะไรที่อยูป่ปลายของเขารับประเคสได้มาอันนี้รับนอกการงาปราศจากอาไมค์หนึ่งเดียวตลอดเจ็ดวัน เราต้องใช้ปจัปสกาผสมอาหารไม่ได้นะนะพอเรามัหน่อกการอะไรเพียงแล้วนะนะอันนี้ฉันแบบเป็นยานะครับปัสสันจะไม่ผสมัอาหารตลอดเจ็ดวันแต่ว่าถ้าในสายเนี่ยมันเป็นโอิตนะครับเป็นโอขหิตก็คือโยนีไม่ทันได้ประเคนเลยถ้าเข้าไปจับต้องยกขึ้นมาแล้วนะครับนี่เคือโอขหิตเมื่อเป็นโอขหิตนะครับเก็บไม่ได้ตลอดเลยแต่ฉันไม่ได้นะพอเป็นโอขหิตแล้วนะครับ เราไว้ทำอย่างอื่นนะแต่ฉันไม่ได้นะครับออแม้ในเทศที่เหลือก็มีวินิจฉัยอย่างนี้เหมือนกันก็วินิจฉัยตรงที่ว่าถ้ารับมาในการเช้ า, ทาเที่ยงเราพอสมอาหารได้ถ้ารับมานอกกาลนะพสมอาหารไม่ได้เราจะฉานราจตลอดเจ็ดวันใช้พิจรรารณาเป็นยาเราถ้ า, นะา น, นอกกางนะนะถ้าในการมีปัญหาเนะราฉันมาเป็นอาหารนี้ได้เลยพ่อในการเนะรา แต่พอนอกการพวกเราต้องฉันเป็นยาอย่างเดียวพอวันต่อมาอีกนะเราจะมาเอ้าตอนนี้มันยังในการอยู่มาพิจารณาฉันแบบผสมอาหารฉันอีกไม่ได้เลยครับมันได้เฉพาะในวันนั้นเท่านั้นนะเฉพาในวันนั้นเท่านั้นหลังจากนั้นไปเป็นในการนอกการก็แล้วแต่นะครับต้องสัมปัสจรรค์ไม่อย่างเดียวตลอดเจ็ดวันต่อไปทําแล้วข้อสอง ชันตอนไหนก็ได้ที่มันป่วยมีเหตุนะเพราะคนนี้เป็นเพศานะครับอดูแบบมันเหตมาจากไหนคือสมัยก่อนแล้วที่สื้อรองรับนี่ป่วยปวยมันในฤดูใขาเรยว่าฤดูสารนะฤดูสารละท่าคือฤดูอับลมครับฤดูอับลมก็คือระหว่างช่วงฤดูปลายฤดูร้อนต้องฤดูฝนนะครับช่วงนี้จะเป็นฤดูอับลมอาการจะอบอ้าวมาก ทีนี้คุณลูกหลานก็เกิดป่วยป่ว ย, ยขึ้นมานะป่วยเป็นโรคผอมเหลืองนะครับชนะหางไม่ค่อยได้นะครับหน้าการก็เริ่มพร้อมขึ้นนะนี้ครับทีนี้พุตธองก็เลยส่อนุญาตเภสัชหา น, นะะตัวสมุขของผมว่าข้าว่าีิมสมุทรคุณเป็นยาสามมักษาโรคอมหรืองน ะ, ะแต่ไม่ใช่โรคผอมเหลืองเดียวนะคะรับโลกอื่นก็แล้วแต่ที่พวกนี้อมันสามรักษาได้เนี่ยแล้วก็ันะได้ให้เป็นโรค จตนานาแต่ว่าเราจังัอหาเพื่อะดวกในการนนได้ในวันนั้นนะไดในวันนั้นช้าช่เที่ยแล้วคือในวันอื่นะแต่ว่ากเจตนาที่เนียไม่ได้แนละถ้าในวันอนผสมอาหารไม่ได้แนละ้จะยังงก็แล้แต่นี้ก็แแต่ไม่ได้นะต้องรับประทานวันต่อวันนะต้องรับประทานวันต่อวันลบม า, บมาช้าชเทีย่ยสนับไปทุนี้ก็รับมาอีก ต้อมาต่อครับถ้าเราประเคนทีเดียวอยตลอดเส็ดวังเนี่ยชํานสะสมอาหารได้อพอชา้าเทียงเที่ยถ้าเลยนะก็คือจะกี่ถึงเจ็ดวันอะไรสะสมอาหารไม่ได้ครับถ้าสะสมอาหารปุ๊บจะเป็นไงก็จะเป็นสันนิธฐนเป็นการสังสมนะสังสมอาหารไว้อันนี้นะคะ้คต่อไปเมื่อกี้ในสายในล้วนนะที่เข้ามาถวายเลยต่อไปทําจากในข้น หมายความว่าเานข้อเนี่ยมันทําเป็นเนยใสทีนะครับด้วยการไปเจียวนะให้มันละละายกลายเป็นเนยใสขึ้นมาครับถ้าเราประเทนในการให้สมมเนธรำนะครั บ, าบรทาน เ, นรรบทเป็นเนยใสนะถ้าสมมาเนยทำเนะี่ยสามารถผสมอาหมิดไนดะ้ผสมอาหารฉันได้เลยแต่ถ้าพลาดทำนะครับฉันปัจจัยอาหมิดอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันถึงจะรับมาในการนะแต่ถ้ามันควรไปเจียวให้เป็นเนใสขึ้นมาเองใช่ไหมครับ เประสมอาหารไม่ได้นะครับถ้าประสมอาหารปุ้มเนี่ยมันเป็นการไปทำอาหารเป็นการพิพากษาไปทำอาหารในสุขเองใช้มไม่ได้คนพิพากาถามว่าคือะสมอาหารไม่ได้เลยตลอดเจ็ดวันนะแต่ถ้ารับมานอกกาลแล้วนะครับนอกกาลนะใครทําก็ตามอันนี้ต้องประสจาจะอานไม่หยุดเดี๋ยวตลอดเจ็ดวันเพราะว่านอกกาลในทิ้งแล้วครับแล้วก็สารสารนี่ธรรมจากนมสดหรือว่านมส้ เนี่ยถึงได้รู้ว่าในสายเนโครเนี่ยมันทำมาจากนมครับตอนแรกว่าเขาเลยนะงาสนสั่งนมทีนี้เลครับถ้าว่ารับประเคียนการคือตอนรับประเคีนรับประเคีนเป็นนมมาเลยนะในชาโจ๊เที่ยงนะครับแล้วก็ให้เนทําให้เนยไปต้มไปอะไรแล้วแต่นะให้มันเป็นเนยแหละถ้าสมมตินเนยทาให้เราสามารถประสมอาหารฉันได้นะครับอืแต่ว่าถ้าพระทำเอง อันนี้ต้องฉันปัจจาระาไม่ถึงเดียวผสมอะไรไม่ได้เลยอันนี้ควรเฉพาะในกายวันนั้นเท่า น, นั้นนะครับเพราะเล่าทั้งวัตถุกมันเป็นยังไงเ<ๆ>พราะว่าเราเล่ามาตอนที่มันเป็นอาหารเป็นลมนะครับเราจะมาทําก็แล้วแต่ให้ในคําก็แล้วแต่เนี่ยเราจะหลังเลยที่มันแล้วก็ฉันไม่ได้ฉันได้เฉพาะวัน น, นนั้นเช้าเพื่อเพื่อนันนั้นเลยถือว่าเราประเคมาตอนที่เป็นอาหารนี่คืความแตกกัน นี่ชันใช้คำว่าพ่อรับทั้งวัตถุของวัตถุเนี่ยหมายถึงอาหารนะครับจะเป็นก้อนเป็นน้ำแต่อะไรก็แล้วแต่ท่านเรียกวัตถุตรงนั้นอหไรนะครับอันนี้หมายถึงอาหารนมสดใช่ไหมมันเป็นน้ำมาเลยนะท่านเรียกวัตถุเพราะเขาจะเอาวัตถุที่นี้หมายถึงอาหารนะครับพ่อบางท่านไปตีความผิดนะอ้าวในข้อมันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนนี่ตีมันอย่างงั้นใคร กะเอ๊ะเขาวนมเนยเนี่ยเป็นการอากาศขูดไขมันออกไปแล้วเอ๊ะไขมันตรเนี้สามันเอามาทเป็นเนยเลยใส่เลยคนค่ะเพราะว่าในส่วนประกอบของนมมันก็จะมีมีโปรตีนมีไขมันแล้วก็มีน้ํามัรจะ็นแนกะค่ะเด็กเขาก็จะแยกส่วนที่เป็นไขมันออก็จะมานมห้นเปนเลยเราอาการขูดไขมันที่ไดกออกก็เหลือจะเป็นตัวนมที่ไม่ว่าไม่มีไขมัน เคยเห็นแต่ข้าวที่ข้าวนมไปต้มนะแล้วมันก็ออมเป็นก้อนมันก้อนมันก้อนขึ้นมายขึ้นมาอครับแล้วก็ตร <c oughs> น, น, นี้่ยอาเราประเคนนอกกลางนะถ้าเราประเคนเอานมเลยนะข้ า, านวนมมอสวาะเลยเที่ยงแล้วนะครับเราประเคนนอกกลางอ่าใช้ในกิจภายนอกอย่างเดียวเราก็ดีให้เนนก็ดีนะมาทําเป็นในใสนะครับอันนี้มาใช้ไม่ได้แล้ว ถึงแม้ฉันเป็นยางก็ฉันไม่ได้แล้วถ้าเราเล่าบางตอนที่เป็นหนุกต้องใช้ใน ก, กีภาอีนอ่อนนะในสายทำอะไรได้ไดบ้ากจะทาแผลนะจะแต่น้ำนนํำผึ้งนะที่ทาแผนเีแตน้ํำผึ้งนะในสายทําไงในน้ํามันจุบที่อาจจะได้นะ่ <c oughs> นอไปลนะอันอันนะี้นะเขียนว่าให้นะครับตรงอะไรเนี่ยไม่สอนชี้ให้มานะครับ ในสายในข้นของอักขปิยงบางสัตก็คือสัตว์ที่มีเนื้อเป็นอักขปิยานะในสายในข้นของสัตว์พวกนี้ฉันได้ครับไม่เช่อฉันไม่ได้นะจะพอนื้อเข้านะครับมีเนื้ออะไรเนื้อมนุษย์เนื้อแพะเนื้อม้านะครับเนื้อหมีเนื้อลาบสีเนื้อเสือเหลืองเสื้อโคร่งเสือดำเนื้อสุนัขเนื้อสุนัขนะสักอย่างนะครับอันนี้เนื้อขขาฉันไม่ได้นะ แต่ในสายในข้นเขาทำได้ถ้ามีนะือว่าถ้ามีไปทำกั น, นมาได้นะครับอันนี้พวกนี้นะคของกับปิยมังสานะเราเก็บให้เกินเจ็วันไปจะไม่ต้องอามบัตสิทีจะเป็นแค่มอมบัตุกบนะครับอามบัตุจะมอ ง, นะง ของสาวผนี้นะอันนี้ผู้ก็พูดในสายในคนนะม okay, ันจะเห็นเนื้อขีด ไ, ดไหมล่ะไม่มีไอ้หน้าพูดถึงนีเฉยนะพูดนี้เฉยว่าเอาที่มันสามามาทําได้แต่ประเภทไหนก็แล้วแต่ไอ้ที่ที่สิบประเภท น, นี้ครับถ้าไม่มีพวกกระไรนะมีดกระไรแต่ว่าถ้าสาันนิษฐานด้วยนมมันจะมีใช่ไมแล้วถ้ามีนมมันก็มาทํา นี่ถ้าพูดเราฟัง่เฉยแต่ว่าใครไปทำได้ไม่ได้ในเรื่องนงินแต่ถ้าว่ามันเกิดมีขึ้นมานี่จะได้รู้ครับว่ามันเบาลงไม่เหมือนกับแถ้าเป็นในสายในข้อของอะไรนะของสารที่มีมังอ่าดของบัวสารที่มีเน้อเป็นกับยา่าตัวนี้นะครับ mm hmm. อ้บามันจะหนักกว่านะถ้าเกิดไม่เกินเจ็ดวันนะครับ mm hmm. จะตป็นอันนี้สักขีนะับ mm hmm. แต่ถ้าพวกนี้หนึ่งเป็นทั่วกว่า ทนี้มาดูในข้นต่อในข้อในข้อน่าบอกว่าอาหนึ่งรับประเค้นในการเหมือนกันนะครับชวร์ช้ชาชัวร์เที่ยงรับประเค้นต่อไปในข้นเลยผสมอามิดได้ฉันได้ร่ำนอกการนะครับฉันประจาอามิดอย่างเดียตลอดเจ็ดวันนะเนี่ยทั้งในการนอกการนั้นก็สามวักินไม่ได้เจ็ดวันครับถ้าในการประสมอาหารได้นอกการประสมอาหารไม่ได้เลย รับมานะครับมีเปลียงตอนรับมาเ้าจะใส่บกักรออกมาแล้วก็ใส่เปลียงมีนมส้มมีข้าวสุกนะครับอะไรตอนน่ออะ้รใส่เข้ามาในบาตหมดเลยครับมีรำข้าวด้วยแม้แต่แรงวันก็ยมีแรงวันปนอยู่ในในใสนะครับพ้าก็ไปสุกให้ไปเคี่ยวใช่ไหมไปให้สุกด้วยแดด น, นะครับเพราะว่าถ้ะยากทำให้สุด้วยไฟไม่ได้มันมีพวกอะไรต่ออะไรผสมอยู่ในะก็ไปให้สุกด้วยแดด น, นะครับ กรองเอาเนยใสเนี่ไปสุขด้วยแหนกครับหรือไปทำขั้นตอนมานะให้มัเป็นไอโคนแล้วกรองเนยใสเนีอันนี้บ่กกรองเนยใสครับอ๋อครับหรือให้เนยเจียวนะครับเนยไปเจียวเลยนะกรองถวายใหม่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถือว่าเป็นสตารการเล่เหมือนเดิมเพราะว่าที่ผสมกันอ่ะเราไปทําไปเจียวเบลัยหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วมากรองใหม่นะ ก็ขั้นอแต่จุนนั่นองครับก็ไม่มีอะไรถือว่ายากกันนะใช่ไหมคือแดดร้อนแต่แดดไม่มีไฟไฟมันมีไฟแล้วมันก็ร้อนทีนี้ไอ้ปริญญาไม่ได้เป็นไฟแล้วมันร้อนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เป็นไฟแต่ร้อนไฟฟ้าหรืไฟฟ้าก็มีไฟคือคือมันมีความร้อนค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไฟไม่ได้เก็นเทียนไฟ แดงๆเนี่ยก็ไม่มีไม่มีเปลวไฟแต่แดดมันร้อนทีนี้โยงก็เลยสงไัยว่าอ่ะเนี่ยเขาไม่ถูกไฟเขาไม่ถูกไฟมันก็เป็นไฟเหมือนเปลวไฟ่างนี้ใช่ไหมคะแต่ยังอื่นอย่างไม่มีเปลวไฟแต่ แต่ว่าถ้าไฟแสงที่มันจะไม่ได้ขนาดนั้นนะทางทีนะไม่ได้ขนาดชายชายไม่สูงขนาดนั้นก็เลยใช้ฟ้าร้องสองข้อในไฟแล้วถ้าเราคุมอุณหภูมิให้ไม่สูงเป็นอุณหภูมิเล็กๆแอุณหภมของแสงแดดนะคะท่านน้าก็ไม่น่าจะปิดนะคะก็ไม่ได้ต่อไฟเปนเซลล์ทีมาแล้วดีที่อีกเราสามารถควบคุมอุณคภูมได้ ไม่หรอกไมาหรอกเอาตามนะคือข้างหน้ามาก่อนคือข้างหน้ามาก่อนนะครับเออคือข้างหน้ามาก่อนนอกจากถ้าเปนการอุ่นก็จะมีคุ่นกับค้าของอาะาะนี้ได้ขอให้มันสุกมา้วนะครับถ้าเป็นอุ่นใหมนะมันจะร้อนครับอันนี้นะครับต่อไปต่อไปน้ำมันนะไอในี้นได้แล้วในข้นมันจะคล้ายกับเนใสนะครับไม่มีใสว่าค้างกัน นี้มานน้ำมันนะน้ำมันเลยพิสุอันนี้พิสดารนะครับถ้าเราเป็นน้ำมันมอะไรก็เหมือนกันนะช้าช่วงที่เราผสมอาหารได้ถ้าอะไรเพี้ยนแล้วก็ฉันเฉพาะเป็นน้ำมันครับแก้โลคตาขับประคุณน้ำมันนั่นนะโอเคไม่ได้เจ็ดวันมือกันแต่ถ้าเราเล่ามันตอนที่มันเป็นงานเราจะเอางานมาทำน้ำมันครับโย่ก็อถวายงานให้เลยแต่เราต้องการน้ำมันทํางานะถ้าว่ารับงานมาในการ ครับให้เนทําให้นะครับเพราะมันต้องไปทํานี่ไปขั้วหรอปล่ไปจีนเนี่ไรู้ไปทนี่ยน่จะไปขั้วเลยทั้อย่างน่เป็นการขั้วนะครับเหมือนตะเตาือีกไม่รนครับใครเขาบทใช่ดว่าน่าจะผานความร้อนมีสกัร้อนสกัดเย็นใช่ไหมอ๋อโอเค นั่นแหละไปทํามาครับบอให้เนทําให้นะเพราะมันต้องผ่านคํามร้องนะครับอันนี้ถ้าสมมติเนมทำให้นะอันนี้สามารถเจืออามิ่ได้ผสมอหารฉันได้แต่ถ้าพลาคทาเองเนี่ยต้องรอฉันปฏิจจอามิ่ได้อย่างเดียวตลอดไม่ใช่ตลอดเจ็นวันนะควรเฉพาะในการวันนั้นเท่านั้นเพราะเราตะเคียนทั้งวัตถุเพราะถ้าเราตะเคมาเป็นางานนะครับถึงเนมทาหรือเราทํานี่ย มันไม่ได้แค่ชาร์จเท่านั้นแต่ถ้ารับงานมานอกการน่าอะไรเที่ยงไปแล้วนะครับแล้วก็มาทําน้าํามันอันนี้ฉันไม่ใช่เลย<ม>ก็ใช้ได้แต่ภายนอกนะครับ<ม>ไปตามปฏ๊บที่นะหรือว่าทางทา้าอไรกได้ต่อไปเนี่ยข้อสองอันนี้อิงน้ํามันนะครับน้ํามันเมื่อกีนน้ํา ม, ม, ม, ม, มันงายต่อไปว่าน้ํามันมม่ได้ถกกาะครับใครใคยเจอ นั่นมันไมล็ฝักกาลความจริงตัวเและดกาลจ่ิงๆนั่นมันเป็นยาวัคชีวิตคือเป็นยาที่สา ม, มารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตนะครับเนี่ยไม่สกัดนั่นเก็บไม่ได้ตลอดเลยทีนี้เรารับมาในการนะครับทักเที่ยนเกี่ยวด้วยแดดก็ฆ่าทำเ อ, องแล้วทําไม่ไดนะแดดนะเกี่ยวด้วยแดดสา ม, มารถผะม อ, อาหารฉันได้นะครับถ้ารับมานอกการอันนี้ก็เก็บไม่ได้เจ็บมันนะ ในที่มันไรก็ไม่ประสมอาหารนะครับก็ฉันยูไม่ได้เจ็ดวันตอนนี้นเป็นเม็ดฝักการอยู่ไตลอดชีวิตพอมาทาเป็นน้ามันโปะอยั่ได้เจ็ครับอายุน้อยลงแล้วเพราะมันเปลี่ย น, นะะเปลี่ยนไปแล้วทกททรารอะไรเพรื่อมือเม็ดฝักการนะขอให้ป่วยนัอาจารย์เพานเป็นยาน อันนั้นไม่ได้อันนั้นเป็นอาหารนะก็ท่านบอกว่าก็เป็นยาออใช่คือว่านั้นชาลอกเขากินกันตามปกติเป็นอาหารนะมันจึงลักษณะการวิ่งใยถ้าชาลอกเขากินเป็นอาหารตามปกตินะอันนั้นมันก็จะเป็นอาหารไปและก็ไม่มีสารระ บ, บุไว้ในพ้าบาเียด้วยนะแต่ถ้ามีสารระ บ, บุไว้เลยเนี่ยถึงชาลอกจะกินเป็นอาหารกินเป็นอาญายอะไรก็แล้วแต่ถ้า ระมูไว้ก็คือเป็นยาแต่ถ้ามันมีระบุว่าก็ต้องเอามาดูคำนิยายเนี่ยนะว่าสิ่งนั้นเข้ากินเป็นอาหารหรือเขกินเป็นยาตัวนีไไ้ไม่ได้นะไม่ทางตะวันไม่อะไรไม่แตงโมเลนฟักทองนี่นะไม่ได้นี่เป็นอาหารหมดเลยถอไป ถ้ารับมานอกการลําเมล็ดผักกาดเมล็ดผักกาดรับในทางนอกกลางก็หน้ามันเป็นยางตลอดชีวิตอยู่แล้วลรับนอกกลางนะครับไม่เจืออาไม่เลยลรับนอกกลางมันทําเป็นน้ำมันนะก็สามารถทานอาหารนะครับตลอดเจ็ดวันแต่ว่าผสมอาหารไม่ได้เลยควรตลอดเจ็ดวันนะครับเมล็ดผักกาดนะมะซ่ามะหงเมล็ดเหล่านี้นะครับพวกนี้เป็นยามาชีวิตนะตัวเมล็ดมันเลยะ จะอยู่ได้ตลอดชีวิตรมาทําน้ํามันทําวันนั้นควรเจ็ดวันครับถ้าเราประเคเหล่านี้เลยนะไม่ผักกาดไม่ซางและหงเนี่ยรับมาในวันแล้วก็ทําเป็นน้ํามันขึ้นมามันก็จะมีอายุเจ็ดวันใช่ไหมครับถ้าทําในวันที่สองก็มีอายุหกวันตอนวันที่สาก็เหลือห้าครับทําวันที่สี่ก็เหลือสี่เนี่ยใช่ไหมเหลือสี่ครับตอนวันที่ห้าเหลือสา ทำวันที่หกหรือสองทำวันที่เจ็ดจะพอวันนั้นเท่านั้นนะครับแต่เป็นน้ำมันเป็นน้ำมันก็มันเปลี่ยนสภาพนะนั่ขออนุญาตนะเพราะจะวันที่เจ็นแล้วก็ทำไม่ได้เพราะว่างาเลยภาพคงจะวันที่เจ็ดแล้วก็คือเนี่ยท่านจะบอกนะลองดลองดูเขีย น, นว่าทำวันที่เจ็ดควรวันนั้นใช้เป็นนำมันในวัน น, นั้นถ้าไม่ยอมทำเลยนะ ไม่อมทำเลยให้ร่วมเจ็ดวันนะครับอันนี้เป็นอะเบัยบขึกฎอย่างเดียวหมายว่าเมื่อประกาศเราตั้งใจแานา่าจะว่าจะมาทาน้ํามันแล้วก็ไม่ยอมทำเลยปล่อยไม่ให้เกินเจ็ดวันเป็นระบาักกตบขึ้นกดแต่ถ้าเราเล่มามนเก็บไว้เพื่อจะเป็นยาธรรมดาไม่ทําเป็นน้ํามันเนี่ยมันได้ตลอดชีวิตเลยครับไม่มีการตั้งอะเบียบเลยแต่ น, นี้พรเราตั้งจ ะ, จะให้เป็นน้ํามันปุ๊บเนี่ยเราไม่ยอมทําเนี่ยปล่อยให้เลยเจ็ดวันไปนี่ทียังต้องขึ้นกฎ อ๋อใช่ใช่น่ารลกก็ดีย น, นี่ฉันให้นาดูว่าถ้าถ้าคิดอย่างนั้นนก็เป็นอย่งนี้ทีนี้ถ้าอันนี้ก็มันไม่ต้องสลาบบรรทุกอะไรนะครัเพราะว่าไปทุกกล น, นะถ้าไปทามันที่ป่าเลยเนี่ยนะอันนี้ฉันไม่ได้นะครับพราอมันเลยก็แล้วแต่ว่าใช้ภายนอกนี่นอย่เดียวเป็นน้ามันทาตามประเทศก็แ้วแต่ ต่อไปก็าเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวสมัยนี้ไหมน้ำมันเมล็ดดาวเมล็ดซัคคอเมล็ดเหี่ยวและเมล็ดสำลูมเป็นต้นน้ำมันของหลเรานี่ยนะที่มาแด้มาในผ้าบาดีน่วงเสร็จวันไปเป็นอําบัตทุกคนอย่างเดียวสมัยนี้น้ำมันอะไรน้ำมันถัเหลืองน้ำมันอุญเณี่น้ำมันถัเหลืองน้ำมันมาพร้าวน้ำมันปาลเมล็ดแป้งตะวัน แล้วมันันไม่ Job, ไมีมีแต่างดอกอะไรปรดอกะวันดอกมะไรดอกวดอกดอกนางเดือยดอกดอกอะไรนะเป็นไรคำว่าที่เป็นน้มันนะที่แม่ระบุในท่าบาหีนะครับในผ่าบาหลีมีน้ามันแค่กี่อย่างเนี่ยมีน้ามันงาน้ำมันเลนสังกาเลนมาซ่าเลนมะสัง แค่นี e hey, okay. Okay. Hey. Okay. ้นะแล้วก็เปลวมันสั่งแต่ถ้าสมัยเนี่ยอ่ามีมะพร้าวเนต้นนะฮะแล้วมันสุกเหลืองพวกเนี้ยนะร่วงเจ็ดวันแปดวันก็จะบาลงไปแค่ที่กดนั่นมันนาข้าวใช่ไหมเหมือนกันนยเหมือนกันเหมือนกันต่อไปนะครับต่อไปมาดูข้อต่อไปนะครับว่าเปลวมันสั เปโรมันสันเห็นไหมหรือว่าเปโรมยวมันเป็นก้อนเลนะในตัวสันที่เข้ามาเกียวของน้ำมันใช่ไหมครับถ้าเราเดินทางบ้านนอกจะได้เห็นนะเข้าจเอาเปโวมันหมูอ่ะพอมีงานแต่งงานงานอะไรแถวบ้านนอกนะเขมีงานเขาจะลบหมูใช่ไหมครับฆ่าหมูนแล้วก็จะมาทํากันนะและส่วนที่มันเนี่ยเขาก็จะมาเจียวครับเอาเป็นน้ํามันออกมาแล้วก็ใส่ครดวใส่ครัวใส่ครัวครับครับใช้สับปิดใส เาาราลืมเขาพีแต่เราู้อะไรือ่ะอ ไ, ปไปเป็นรมเป็นไร็นไมันไม่ต้องให้มันล้ม <c oughs> <ๆ>ัลแหละใช่ไหมไม่เป็นไรถ้ากลัมากลับมาเอามาในสาระตรงนี้ยนะครับแล้วก็เขาก็ะะะจะเอาไปทำอะไรเขาก็ จะมาแจกี ง, งานนะครับแถวบ้านนอกจะดีนะคนที่มาช่วยงานนนั้ไม่ต้องแจ้างนะครับแต่ว่าเขาจะ เ, าเหล่านี้นะครับน้ำมันพวกเนี้ยนะไปแจ้งเป็นสิน้ําใจไม่น้อยอย่างนะี้นะบางที่ก็เอาเสียให้คนอืน่ <c oughs> นเขาได้มาช่วยงานนะเอาเสียแจกเสียให้ผมยังแปลกใจเลยนะครับ <c oughs> หรือบางที่ <c oughs> ขนานี้นะครับแถวบ้านนอ ก, แ ถ, นนอกแถวบ้านมางทีนะเขาลีบแบบว่าเขาข้ามหลายตัวเลยนีครับ มาพีงาย น, นะสี่ตัวครับเรียกกเท่าหมูบ้านเลยแล้วหมูบ้านอื่นด้วยนะครับบางที่เหนือนะเหนือเขยังตักไปแจกตามบ้านโอ้แต่ละหลัแล้แต่และหังอะไรขนาดนเลยนะธรรมดานี่นะครับถ้าน้ำมันของเปโอสันนี่ยก็สั่ทุกชนิดนะครับที่มีมังสักเป็นกัปติยกักษตัวดีกัปติยกักษตัวดีควรทั้งนั้นนะครับเว้นแต่เปโอมันมนุษย์เปโอมันมนุษย์นิ่ไม่ได้ เป็นเต้วมันหมูเต้ามันวัวเตรามันควายนะหรือเปลามันของสัตว์น้าเนะี่ยพูดถึงเปลามันปาฉลามเนี่ ย, น ะ, น, นะย น, น, นะครับได้นะไม่ใช่เฉพาะเต้ามันหมูอย่างเดียวเอาอีกว่าอื่นนะครับพวงในใสายนี้คนน้ำมันแล้วพวกนี้นะมีน้ํานมเป็นต๊น้นครับไม่ใช่น้ํามันนะน้นํานมนะน้ํานมในใสายในข้นครับเป็นต้นที่เป็นอัจฉปิยะนี ของสารที่มีมาสาเป็นกาแฟเี ย, ยกาแฟเขาแล้วแต่นะถ้าเป็นน้ำนมหรือเนยใสในเข้ในด้านานั้นนะครับหมายควาว่าทำได้หมดเลยต่อไปนะครับไอเปรอมันนี่แหละถ้ารับเปลอมันมาในกาง ช, ช้าชูเทียงให้ในทําให้ใน ก, กใ็ไปเกียวครับอันนี้ประสมอารมิดได้ถ้าพระทาเองปัสจาอามิดอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันนะครับว่าถูละเอียดให้ที่นี่ เป็นเนื้อเป็นเนอ็นหรือว่ากระดูเลื่อนะครับถูกเกลียวไปด้วยเพราะว่าเวลาเปลวมางกร่างบางทีมันไม่ได้มีเฉพาะมันอยู่างเดียวใชมีทั่วเนื้อทั่วอะไรมันละเอียดๆนะครับเพราะว่าเขาขันมาแล้วเป็นเนื้อเอ็นกระดูกเลือดพวกนี้น ะ, ะถูกเกลียวไปด้วยนะครับอันนี้เป็นอักโหราลิเพราะว่าไม่ควรกล่าวว่าเป็นอาบัตนะครับไม่มีปัญหาแน่ น, แนอนนะครับไม่ได้ชี้ว่าขับอาหารขออับอนนี้ให้สุกแนะ เรียว่าเกี่ยวเอาหน้าออกมาครับตรนนี้ได้ไม่มีปัญหาครับเว้นเฉพาเฟลมันมนุษย์หนีเดียวมครับเลมันมนุยนี่ห้ามเลบรับเปลมันนะครับนอกการเนี่ยฉันไม่ได้เลยนี่นะเปลมันในการลัมานนะครับแล้วก็แม้จะมาทาเอง หรือให้ในรทำแนละ้วก็ฉันได้สมบัติเสร็จมันแต่ถ้ารับมานอกกาแล้วเนี่ยพ่อเปียวมันก็เป็นอาหารใช่ไหมมันมันเป็นเนื้อเป็นลายเป็นมังอย่างเนี่ยนะถ้ารับมานอกกาเนี่ยฉันไม่ได้นะคาัดังข้าบารีที่ว่ารับประเคเนะเ น, นเวลามิการนะรับเปโอมันเลาวิการเกี่ยวเวลามิการกรองเวลามิการฉันต้ อ, อามาสามตัวเ <c oughs> พราะว่าไปา ทำเปลียวมันเองนะรับอ่านแบบสามตัวตัวไหนพ่อประเคนตัวหนพ่อไปเกี่ยวถึงไปกรองตัวหน่ในเวลานีกลางนะครับเลยเป็นอานแบบทุกกสามตัวนอการนี้เวลามันต้องเหลือากานี้ไม่ได้นะคะอาแอาชาสกันไ่้แต่ถ้าการที่กรากกนได้การการไม่ได้อยู่แล้วนะไี่ไนะ การมาต้องดูว uh, uh ่าไอ้สันอ uh ่ะ uh มันเป็นกับปียะหร่าอ่าว่ากัปปิยะมันจะได้ต่อไปทใช่คขอขอยอมครัว่าไอ้เปียัมาเนี่ยเป็นของหมูของมีก็ได้มีได้ให้ได้หมดเลวครับมีไดมดเไว้ของมนุษย์อย่างนดี้ครับของเสือข้อเสือหลือไม่นำไม่นำเหมือนกับทในเรือสัตว์สิ้น อ๋อแปลครับจะพอนีว่ามันใชไม่ได้ครับแต่ว่าเปลวมันใช้ครับ่ันียไม่เป็นทายเลยเอาบันดีได้นะครับไม่ได้ครบคือนทางเลยแหละต่อไปครับจะพอมีเปลวมันมที่ท่านห้ามนะแต่ว่าท้ามนเป็นอย่างอูน่นก็ไดถึแม้ของเป็นหักับปิยะครับ น้ำนมในสายในข้นเลยนี้ะต่อไปเล้วก็ห้าในสายในข้อแล้วเปลวมันทั้งสามอย่างเลยใช่ไหมได้แน่ได้นม ะ, ะ, ะ, ะมันดีมันจะมีอะไอนะหญิงแม่ลูกออกใช่ไหมเข้าเวลานั่นนะ่ะน้ำนมพ่อจะเตะใช่ไหมเขาต้องการให้ลูกอยู่ เขาหล่มนมหรือว่าของหญิงแม่ลุงก่อนใช่ไหมพ่อสมัยเนี้เขาเขาไม่ได้เอานมคนเลี้ยงฮะสัญญาณนมกระป๋องนมอะไรพราแมพ่อแม่ไม่มีเวลาใช่ครับความที่ยท่านก็บอกว่าด้างนั้นนะครับเนื้อไม่ได้เปรียวมันไม่ได้ครับเขาต้องไม่ต้องไม่บอกเรอนะ กาบอกโอ้เข้าจะรังเกียวโอ้ยยังไม่ได้ไงนะเขาเหมด้นน้าน้ำนมน้ำนมนะต่อไปครับในสายในข้นเปลวมันทั้งสามอย่างนะครับมารวมกันพ่สุดเจียรวมกันแล้วเกิดออกควนครับเกิดออกนะเอาแต่น้ำมันมาอันนี้ได้ เนี่ยบอกว่าน้ำมันของกับเปียป๊ยบมังสากัเปี๊ยบมังสาราฟวันนั้นเจ้า อ, อาไม่ควรนะนะเนืองจาพราะของมันเหม็นที่ว่าเมื่อก่อนเขายังมีน้ำนมแพ้เข้า ม, มาถวายใส่กระป๋องแบบนัแต่ว่ามันมันเหม็นขาวมากนะถ้าพูดถึงแหละแต่ว่าความกินเขาจะทำไปอย่างนั้นไม่ฝังอลยแง่แต่นะในฉันคูดถึงวา่ามันมีก็ถือว่าควรต่อไปนะครับ ต่อไปน้ำผึ้งน้ําำผึ่งมีรับในการเจืออามิธได้คือแหล่งพลังใหญ่เท่านั้นนะรับในการชาร์จเที่ยงๆนะครับประสบอาหารนะบางทีบ้านนอกเขาเจาน้ํำพึ่งเนี่ยรวยข้าวใช่ไหมแล้วก็กินเลยนะี่นะเลยข้ า, างร้อนนี่นะก็สามไม่จะอยู่ได้นะ <c oughs> ถ้าว่ารับประเคมนมานอกการก็ฉันปะะจัจกาอาวิธอย่างเดียวตลอดเจ็นัน ต้องฉันเป็นยานะครับมันจะว่าถ้าเราไม่ได้ป่วไม่ได้อะไรอยู่ดีๆเนี่ยจะฉันน้ํำพึ้งเนี่ยนะไม่ได้เลยครับไม่ได้มีเหตุไม่มีอาบัติไม่ได้พิจรารณาใช่ไหมถ้าเราฉันกินอาหาอิมอ่มท้องในเวลาวิการนั่งละหมาทิววิการแล้วนะครับถ้าฉันน้ำพึ้งอิ่มท้องอยู่อย่นี้นะก็ไม่ไครับก็จะเป็นอาบัติทุกกนกัน mm hmm. เพราะว่าฉลัม น, นี้เป็นอาบัติขอบา อ๋อได้ม่ีปัญหานะแล้วก็ตัวลูกลงไปนะเราต้องดูน ะ, ะถ้าลูกมีเนะี่ยต้องต้องดูนะเลวทั้งคือโดยเฉพาะลูกพึ่งใช่ไหมมันไม่ได้ตัวพึ่งแต่แล้วอะไรมาด้วยนะใช่ใช่ใช่แต่พลางไม่ได้เาเอามั้นมันบีนะคือเอาเฉพาะตัวรวงมันไม่ได้ตัว ตัวรูปตัวไข่ันไม่ได้เอานะอันนั้นเราจะไม่ล้างพอเป็นของบิดพลาดัชไม่ได้นี่ยังไงครับเคลียร์ลมาเคลียร์ีไม่ใช่ไม่ใช่เข้าให้ฟ้าเขาจะแต่เ็นครับตรงนี้นะล่ำมันจะขอลงพื้นแท้ไม่มีปัญหาออกแต่ว่าถ้ารับมาเนี่ย้งลังพื้นอย่างนี้นะไม่ได้เพราะลงังพมันมีไขมีอะไรท่มันไปใช้ยังไงมันมีของบิดถ้าลงเชียป็นปัญหาหรอกช่างก็ทได้ ถ้ามีตัวมีอะไรก็เอามอครับแต่ความกินลังนะถือว่าเป็นยาตลอดชีวิตเละใช่ใช่ยาเนี่ยนี่เนียเราต้องอ่านต่อไปนครับต่ไปบอกว่าลังพึ่งก็ดีครับขี้พึ่งนี่ก็ดีนะถ้าไม่ติดน้าพึ่งเนียเอามันบางทีอันพึ่งมันย้ายลังใช่ไหม มันเหลือแต่งลางหรือว่าคิดพึ่งอยู่เขาไม่มีน้ำพึ่งติดเลยอันนี้ปัญญาวาชีวิตของเขาสามารถช่วได้ตลอดชีวิตเลยถ้ามันเก็บน้ำพึ่งอยู่อันนั้นมันก็มันเรีว่าตาหักผสมกับยาวิชวิตขึ้นมันมันก็จะอาเกบเจ็ดวันเจ็ดันมันไม่ได้กางเป็นอันนั้น้เลยแต่ว่าต้องมีเหตุนะมีเหตุ จะไปฉันเล่นฉันเล่นได้หนอะมันต้องเหตุา้าภัยแต่ว่าถ้าไอ้พวกลังเนะี่พวกลังพึ่งหรือขี้พิ่งเนี่ยมันไปติดน้ํำพึ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ครับมันเลยการเป็นศัตรากาการนิดเดียวเขื่ออนนายุมันจะลดลงเหลือแค่เจ็ดวันน้ํำพึ่งบอกว่าน้ําเพิ่งหนึ่งคล้ายกับยาคงจะเหนียวนะครของแมลงผู้ใหญ่ตัวดามีปิดแข็งอันนี้เป็นยาว่าชี้ตลอดชีวิต น้ำพึ้งของมะแรงผู้ใครเคยเจอบ้างครับน้ำผึ้งของมะแรงผู้มะแรงผู้ตัวดำๆใหญ่ๆแล้วก็เีแนะครันรไม่เคยเเคยเจอตัวอ๋อแล้วดูในรางมีอะไรบ้างมีแต่ในรางมีแต่ไม่ไม่เห็นน้ำผึ้งอะไรขึ้นมาเลยไม่เห็นอ๋อเห็นต้องถามอ๋อ แต่ยังไม่เคยเจอใช่ไหมไหมอ้นนมาไปเก็บกับตัวเมียเนาะก็เลยไม่เห็นแต่ต้องขอไปเลี <c oughs> ้ยงลูกนะ <c oughs> อันนี้ได้ไ <c oughs> พักครึ่งก็ได้ ฐานิตรงนี้อ่ะนะดีน้บอ้อยหรที่ว่าที่นี่คเป็นก้อนอทำมาจากน้ำอ้อยสดถ้าคำสั่งอ้อยสดเลยไม่ได้ปอมีการน้ำอ้อยสดที่ก็ไม่ได้ปอมมีการนะครับและข้อหมายทำฐานิตนนะเป็น้้ำอ้อยก้อนหรือน้ำตามปี๊บิ้มมนมแม่ไม่พนันแต่้าล่อมัในกาลนะล่อมีการเลให้เร น, นทเนี่ยเราส่งอาหาฉันได้ถ้าถ้ามีคนทำเนี่ย อันนี้ฉันปรับการนี่หน่เรียนทะลองเจ็ดล้อมแล้วก็ควรในการวันไี่ใช่เจ็ดวันแล้วูุตรนะควรในการวันนั้ น, น, นเท่งนั้นเพราะเรากระเทนทั้งวัตถุเพราะตอนนี้เราประเทนมันอ่ะรับมันตอนที่เป็นน้ำอ้อยสดแล้วก็มีกาด้วยใช่ไหมครับและตัวเองก็ทรมเป็นน้ำอ้อยก้อนน้ำตาตีอะไรนี่ทีนะเพราะรับมาทั้งอาหารนั่นแหละมันก็เลยฉันได้แค่ช้าเที่ยงนะครับถ้ารับมันออกการแล้วก็ไม่ควรฉันเลย เพราะว า, ามาันต้องกัดอ้อยเนี่ยนะเราจะฉันอ้อยทั้งลาเลยไม่ได้ครับเราจะบอกเอา้าผมฉันจะพ่อน้ํามันนะครับเนื้อผมขาดที้เนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ได้ครับไม่ได้เลยก็คือเป็นการชานขหายเลยก็เป็นเนื้ลนอลมรั้วแล้วก็ไม่มีการครับนะัอันนี้นะครับถ้าว่าขาเนี่ย น, นะเอ่อทำมาจากน้ําอ้อยสด กรองแล้วไม่มีกากเลยครับอันนี้เข้ามาถวานน้าอ้อยสดนม่หมีกากเลยถ้ารับในการให้สั ม, มเนาธรรมเนี่ยประสบเจอาร์มิ่งฉัได้นะครับถ้าพราทําเองประทัอารมิ่งอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันถ้ารับมานอกกา ร, รอันนี้ก็ฉันได้นะปร ะ, ะาอาร์มิ่งอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันถ้าเรายัพูดถึงฐานนิ่ดอกมะซานฐานนิ่ดอกมะซานดอมมะซ่านจะมีรสนิ่ม มันจะหวานและไม่หวานนะแต่ครับแต่เข้าไปเคี่ยวกไปอะไรนะให้ออกมาเป็นกากเป็นก้อนเป็นเม็ด น, นะครับเรียกว่าเรียกว่าขาลิ้นนะเนี่ยแต่ว่าธรรมาจากหลอมซางอันนี้มานอ่ยก็บาลีนะครับทําด้วยน้ําเย็นนะให้ผู้คนเจ็วันไ ป, ไปเป็นอาบัตทุกกฎอาบัตจะเบาลงในที่นี้นะแล้วก็หาลิ้นธรรมาจากผลไม้ที่เป็นยาว่าการิมีกู้เนไหมครับ มีกล้วยอินทผาลัมมะม่วงสังเกขนุนมะขามเป็นต้นก็เอามะขามนะไปเที่ยวเล ย, นะเลยครับมะขามสุกนแล้บก็ไปเที่ยวไปอะไรนะมันก็ได้มาเป็นเขาเรียกวานะ่ <c oughs> าอะไรเรียกฐานนิดแหละมะขามกวนเนี่ยนะมะขามกวนครับเ <c oughs> นี่ยมะขามแก้วคนนี้นะเนี่ยก็ไม่ได้มันก็จะเป็นอาหารนะครับคนนี้นะเพราะมันธรรมชาติในผลไม้ที่เป็นอาหารอนยะ่างนี้ มันจะกลายเป็นอาหารทันทีเลยแต่ว่าถ้าผานี่ทํามันจากพลิกเขาจากกามพลิกแกงเอาพลิกก็ไปขั้วไปเคี่ยวนะต้มตามก่อนนะและแล้วก็ออกมานะครับเป็นก้อนเป็นนั่นนะอันนี้ถือว่าเป็นยาวันชีวิตนะครับเพราะว่าพลิกเนี่ยถือว่ามันเป็นยาแล้วตลอดชีวิตเลยนะแม้ไปเคี่ยวปแปะเรามันเป็นพลิกแกงแต่อะไรนะครับก็คือเป็นยาตลอดชีวิตเลย อันนี้นนไม่ไมคะ่ะฐานนี่คืออะไรนะคือน้ำอ้อยก็นน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยเม็ดน้ำตาลปีกแั้วแตนะ่แล้วก็เคี่ยวกัอะไรนะอันนี้คือฐานทั้งนั้นต่อไปสรุปนะครัสรุปรวมยอดทั้งหมดเลยหนึ่งเพสัชทั้งหนะ้าเอาตัวเภสัชอะไรนะในสายในข้นน้ำมันน้ําิุงน้ำอ้อยถ้ารับประทานในการนะครับวันนั้นสามารถประสมอาหารฉนันได้นะ ถ้าเราประเคนมานอกการฉั้นประาจานไม่หนึ่งเดียวตลอดเจวันแต่ว่าถ้าทำมาจากวัตถุอย่างอื่นมันไม่มาเป็นตัวในสายโดยตรงใช่ไหมครับแต่ว่าทำมาจากวัตถุอย่างอื่นแต่ว่าวัตถุนั้นไม่ใช่อาหารนะเช่นในสายเนี่ยก็ทำมาจากเนยข้นผานิ่งน ะ, ะน้ำอ้อยก้อนอ่างนี้นะทำมาจากน้ำอ้อยน้ำอ้อยขดน ะ, ะที่กรองไม่มีกาอันนี้ แต่ว่ามีพิเศษเกลือมันสั่นะครับให้สมนนทําำผสมอาหารได้ถ้าถ้าทําเองชั้นปัสกาอาหารอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันมันจะพิเศษเกลือมันสั่นนะมันก็ถือว่าเกลือมันสั่นถ้าเป็นเกรือเป็นกล้องเลยเนี่ยน้องเป็นอาหารนะครับแต่ถ้ามาทำปุ๊บมันกลายเป็นยาขึ้นมาที่เราเล่ามันเป็นเกลือมันแหละใช่ไหมครับแต่พอมาทำปุ๊บนะมันก็กลายเป็นสัตว์อหารเป็าเก็บได้สํตลอดเจ็ดวัน ในการนะช้าเพียงๆนะครับทีนี้ต่อไปสามทำมาจากวัตถุที่เป็นอาหารเช่นนะครับเช่นว่าในายใสเราทมาจากนมเนี่ยน้ํามันทำ ม, ม, มาจากเมล็ดงานมาจากอาหารนั่นเลยใช่ไหมแล้วก็ไปทําทําเป็นน้ํามันแล้วกเกณฑ์ในการเี่ยให้สัมมาเนธาม็สมอาหารฉนันได้ถ้าพระทำฉนันป ร, ปรจอาอมิตรนะคควรเฉพาะในการวันนั้นเท่านั้น เพราะว่าอะไรเพราะเราประเคนมาทั้งวัตถุที่เป็นอาหารนะถึงมาทําเป็นพวกสุาหานแล้วมันา็มันก็อยู่ได้แค่ช้าตู้ที่ยง น, นั้นแหละถ้าเราประเคนนอกกาเนี่ยฉันไม่ได้เลยเพราะเราประเคนต่อป็นาหานอกกาเนั้นไม่ได้พี่เศษนะพี่เศษอยหนึงน่งคือเกียวเปลวมันสวิรัติท่านี่คุณเกลียวเป็นก้อ น, น, นเป็นอาหารเลยนะแต่ถ้าเรารประเคนมาใาการเนี่ยให้สัมมาเนธามันเป็นน้ํามันครับก็สมอาหารฉันได้ ถ้าพลาดทำฉันตะประจานไม่เหน่อยเรื่ตลอดเจ็ดวันแต่ถ้าเราประเคนนอกกานั้นี่ถึงจะมาทํานะอันนี้ฉันไม่ได้เลยตัวอยวิธีการสละสละเป็นภาษาบาลีว่าภาษาไทยก็ได้นะครับว่าอีชังเมพันเตเพสันชังภาษาหานติดกันตามสัยียันแปลวา่าถ้าท่านเจริญนะครับ เ, เพัศของกระผมนี้ล่วงเจ็ดวันไปแล้ว เออเป็นผู้พิทักษะต้องเป็นสัตตานะครับสัตาส์ตาสตางค์ปฏตางค์ปฏิกรรมนุ่งงวเจ็วันก็แล้วเป็นของจําจัสมะยมาหาอายสมมันตานำนิสัชามิอายสัมมันตังก็เปลี่ยนเป็นสังคสะในอายสมมโ ต, ตนะและแต่ว่าไปสนาขังนะครับข้าพระเจ้าขอสนาเพศันแก่สงถ้าเราเก็ไม่เกินเจ็ดวันใช่ไหมนะครับ<ๆ>ก็เป็นนิสกีไปเสียสนากระสงข้างหน้าหนึ่บุคคลก็ได้ เพศสัตว์ที่สนานแล้วอย่างนี้ได้คืนมาครับทําให้ในายกำลมงร้อยตรงนั้นบัดเรียบร้อยเพราะถวายคืน อ, อันนี้ก็ไม่ควรใช้กับอวัยวะภายในจะมีการคืนจริงหรือว่ามาทาใช้กับร่างกายในคืนคไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยแต่ถ้าใช้ใช้ภายนอกในอย่างเดียวนะได้มีตามตำแหน่งแม่ก็ผมกุติเป็นต้นนี้ใช้ได้ครับแต่ถ้าพิสูจไม่หวังอะไรเลยสละให้อันนี้มาสามบันไป น, นะครับ สาดแล้วทิ้งน้ำไม่หงอยให้เ น, นไปเลยเนี่ยนะถึงว่ามันจะหมดอายุแล้วเป็นสกีบแล้วจะให้เนยไปเลยได้กลับคืนมาอีกอันนี้ควรใช้ทุกอย่างไม่ได้ทงก็ได้ประเภทอาบัด น, นะครับอาบัดต้องมีตามจนวนวัตถุที่เก็บแยกกันหรือในภาชนะอันเดียวกันที่ไม่ได้เกี่ยวพนที่เก็บแยกกันหลายๆก้อนหลายอันนะ หรือว่ามีเนืชนะัญญาเดียวกันแต่ว่ า, าไม่ได้ติดเนื่องปลเนียกันถ้าเนื้อแปลงเดียวกันก็เป็นตัวเดียวถ้าแยกแยกก็เป็นหลายตัวนะรอองอาบัตอันเดียดเดือไปนู่นทีเดียวนะครับอันนี้แค่นี้นะที น, นี้กลับไปนในกลางฐานครับห น, น้าร้อยสินกลางฐานนี้ก็สบายอาให้ฟังได้เลยถ้าเราเข้าใจมืววนันียะเอียดนะครับใจฟัง ข้อสาอธิบายเทยสะชาติขขาบทขึ้นแท้ทอธิบายสิขขาบทที่สามต่อไปคำว่าปฏิวิทยานิยานี้ที่แปลว่านะอะไรแปลว่าควรริมนะครับคือฉันได้ด้วยบท น, นั้นนะครับพุนพ่อป้าเจ้าทรงแสญญดงว่าไม่เป็นอาบัติแม้ข้อเทสะทีิพิสูรละประเทศนะครับด้วยตนเองล่วงเลยเจ็ดวันแต่เทส์เหล่านั้นไม่ควรเพื่อฉัน ไอ้คำว่าควรลิ้มหรือฉันได้เลยแหละเป็นตัวบอกว่าถ้าเราจะเก็บไม่ฉันนะเราเก็บไม่ได้แค่เจ็บวังนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เก็บไม่ฉันเนี่ยเราเก็บไว้ทำอย่างอื่นเช่นไม่ได้มาฉันมาทางแผลว่าอะไรบ้างตากกระตี้บ้างอันนี้ไม่เป็นไคะครับเกินเจบวังก็ไม่เป็นไรแต่จะมาฉันไม่ได้เลยคําว่าเพศฉันนี้ความว่าเพศทั้งหลายจะทําหน้าที่เพศทั้งดีไม่ทํำก็ดี เคยสัตย่อมมีชื่อเรียกอันหนาแล้วอย่างนี้นะครับ ม, มัเพื่ออะไรเนี่ยทำไ ม, ไม่ทําหน้าที่เคสัตวตอ น, นั้นข้าจะไม่ได้ใช้เป็นยาก็ได้นะข้าจะเอาไปทอมเป็นอาหารเป็นอะไรก็ไดแต่ในชะแต่ตัวมันก็คือเป็นเคสัตครับชื่อว่าเนายใสก็คือในสายของสัตว์มีโคเป็นต้นและในสายของสัตว์ที่มีเนื้อของกัวหรือกัปตียะซึ่งสัตว์ซึ่งมีเนื้อที่ยืดหยุ่นจะได้ ในค่อนข้าเช่นเดียวกันชื่อว่าน้ำมันคือน้ำมันที่สกัดจากมเมล็ด ง, งา ม, มเมล็ผักกามเมล็ดมะซา่าแล ะ, มะเมล็ดหงเป็นต้นชื่อว่าน้ำพึ่งคือรสหวานที่มะแรงพึ่งทำชื่อว่าน้ำอ้อยคือน้นรารสหวานที่เกิดจากอ้อยน้ำอ้อยชนิดทีย่ยังไม่ได้เที่ยวหรือได้เที่ยวแล้วมันมีกากลับข้างน้ําอ้อยสดนะครับทั้งหมดคือทราบว่ า, วาเป็นน้ำอ้อย ความว่าอานั้นปฏิเคตต ว, ว่าความว่าพิสูรับประเคนเพสสั่นเหล่านั้นแล้วรับนะ น, นะไม่รับประเคนวัตถุนะครับก็คือไม่รับประเคนที่เป็นอาหารมานะวัตถุแห่งในสายเป็นต้นเหล่านั้นวัตถุแห่งเนื้อสายคืออะไรก็คือนมที่เขอามาทําเป็นในสายนะก็จะได้วัตถุแข่งตัวเดิมนะครับที่มาทําอันนี้รับไม่รับประเคนนมเนี่ยมะเอาแต่ตัวเพสั่นนี้ว่าเลย นะครับด้วยบนนั้นเมื่อภาคเจ้าทรงแสดงว่าไม่เป็นอาบัตเก็บวิสุทธ์้วยในสายเป็นต้นที่ตนรับประเคนวัตถุคือนมเป็นต้นนะครับแห่งของที่เป็นยาว่ากาลิแว้นน้ํามันเหลวกระทาไว้แล้วให้เลยเจ็ดวันไปนะครับแสดงว่าไม่เป็นอาบัตอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เก็บไว้ชั้นนะครับเ น, นี่ยเก็บไว้ชั้น มันได้แค่ชาร์ตเที่ยงใช่ไหมผมตอกเลยว่าให้เลขหนึ่งครับอยู่ที่ไหนอยู่ข้างล่างสุดเลยเลขหนึ่งครับ mm hmm. แกว่ายฉันกับข้านะครับในวันต่อไปไม่ได้โอ๊ยไม่ขียนไม่ได้นี่นะนี่ก่อนนะนี่ก่บนะนี่บอกนะไม่เป็นอันบ่ายแที่สูจน์กล้วยในสายเป็นต้นที่เจอรับประเคนครับวัตถุแห่งของที่เป็นยาว่างการหรืออ๋อพอเป็นของที่ไม่ควรคกินอยู่แล้วนะครั บ, รบอันนี้ แต่ว่าชาเจ้ที่ฉันได้ น, นะเพราเมื่อกี้นะครับพอเลยไปแล้วคือฉันไม่ได้นอกจากว่าเตียวมาสั่งเที่ยที่บารไปครับส่วนน้ํามันเหลวที่สูตรรับประเค้นในการให้สุกในการผสมมาเป็นกรองนะกรองในการคพรุทธเจ้าทรงอนญุญาตให้ฉันโดยเป็นมระเภทของน้ํามันฉันได้เพราะฉะนั้นเว้นมันเหลวของมนุษย์ถึงน้ํามันอื่นอย่างใดอย่างที่วิสุทรับประเค้นไว้ก่อนเที่ยง แล้วถึงให้เกิดน้ำมันขึ้ น, น, อนเองตัวเองควรที่จะฉันโดยไม่มีอานิตไม่ได้ผสมกับข้าวเป็นต้นตลอดเสร็จวันพเพราะว่าข้าศัตอูใช่ไหมส่วนน้ำมันที่อาจจะสสมบันในนิยยนะทําถวายถึงจะมีอานิตปนอยู่ควรฉันเราไม่ได้ผสมก็ได้ในเวลาก่อนเที่ยงของวันนั้นจะทอดของที่เป็นยามากการอื่นๆไม่ควรเจ้าน้ำมันนั้นนะครับ พ่อไขนไม่พอไม่ได้แล้วนะ mm. นะครับ mm. พ่อมันมีนการไปทําอาหารให้สุกพ่อว่าทําอาหารเองไม่ได้ดแล้วนะครับเ mm. จ้าหงในสายที่เกิดขึ้นแล้วหรือในข้นก็คูนะครับเ mm. พราะว่าในสายในข้นเนี่ยมันผ่ากนกรรมวิธีสุกมาแล้วใช่ไหมจากนมที่ต้องแยกมานะครับถ้าจะไปหงอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่เป็นไร ได้ได้ใช่ใาป็นยามาทปัญาแล้วเกิดว่ามันเปลี่ยนถ้าเเอามาทำเป็นอาหาร่ได้ครับไมไ่จะใชนนะต่อไปนะครับแต่ในสาและในข้นนั้นซึ่งเจียวด้วยอามิไม่ควรที่จะฉันในเวลาก่อนเที่ยงภายในวันนั้นนะครับวันนี้มันฟางให้ดีนะลองดูนะครับอดูให้ดีนะ ถ้าบอกว่าจะหูในสายที่เกิดขึ้นแล้วหรือในคนก็ควรแต่ในสายและในคนนั้นซึ่งเจียด้วยอามิจไม่ควรที่จะฉันในเวลาก่อนเที่ยงภายในวันนั้นพ่อพานุคุณไปทําเองง้ายมีอะไรนะครับแต่ในสายเป็นต้นเที่ยากมุ่งประสานหูการทำจากนมเป็นต้นที่เราประเคนก่อนเที่ยงถึงจะเจียด้วยอามิจก็ควรก่อนเที่ยงของวันนั้นเท่านั้ น, นเพราะว่าใน เลยหลังเที่ยงไปของเหล่านะั้นไม่ไม่ควรเพเดชฉันเพราะเราปฏิเสนครั้งตันนี้เป็นนมแต่ก็ไม่ต้องอา่านบัก็เก่งว่เกินเจวันเพราะไม่ได้ฉันแลบบ้วเม่ได้เก ว, นะว่าฉันนะคําว่าสันนิพการกางปริคุที่ตับฉันคืงฉันนะของที่เป็นสะันนิจต์กาการสังสมไว้เกินเจ็ ว, วันความว่าเพยส์สรมที่ิสุจะทาการสังสมไว้แลบปฏิเส ก่อนเที่ยงนะครับฉันพร้อมจับอามิในเวลาฉันฆ่าควรอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่เกินเจวันนะนะครบเช้าก็เที่ยงก็ฉันกันหาได้แต่พออะไรเที่ยงไปเป็นสัตรอนนั้นและเทสันทีุ่ับประเคหลังเที่ยงใช่ไหมควรฉันประทจารอามิสคือฉันเทสันอย่างเดียวไม่ผสมอยางอื่ฉันแบบเป็นยานะรัก็ภาพลานี้ว่ารปริคุณชุบสัมฐานน้พึงฉันนี่แหละนะเทสัตที่วิสวดติฐานเก็บไว้ เพื่อประโย์แก่การทำเป็นยาหยอกยายอย่าตาให้มันเป็นต้นภายในเจวันไม่ทําไม่ต้องอาบัดพอเรารล่วงมันใกล้จะเกินเจวันแล้วใช่ไหมครับเราก็ตั้งใจว่าไม่ฉันแล้วจะไปทํายาหยอกตายาทาขาเวทย า, า, าแผลแทนนะทําไปใช้ภายนอกแทงนี้เกินเจวันก็ไม่เป็นอาบัดก็ราาเรอทิฏฐานว่าตั้งใจมั้ยนะจะไม่ฉันแล้นะครับมาทำอทำยู่แทนน้ํามันที่พิสูจนรอบประเทศไม่เล่นผักกาดนะครับ อันนี้เก็านะ่านซำอาม่ข้านเลยนครับก็เหมือนเดิมนะมาดูครับบรทัดเท่าไหร่นะนั่ลงมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดครับเก้านะครับสิบนยังนั่มาบรรทัดที่สิบเลยนะครับ น, ดด น, น ะ, นะร บ, บนนนะนน ร, ระทที่สินะสตอนท้า ย, ายนะใช้ ท, ท้ายนะครับคาว่าแลในเรื่องนี้ตรงนี้เลยครับ และในเรื่องนี้สิ่งใดเป็นสัตหาการิศสิ่งนั้นพิสุสลาแล้วถึงจะได้คืนมาย่อมไม่ควรเพื่อทาหรือกืนกินหมายความ่าเป็นสักเคียรเราจะทำภายในกรง้ครับได้คืนมาเข้าถวายคืนมานี่ก็ฉัน้ไม่ได้ใช้ภายในภายในตัวไม่ได้ครับจนถึงอารมณขึ้นเป็นต้นอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่เกิดมา อีอยาหนึ่งพิสูจน์จะใส่ในประเทมีสีดําดําก็ควรครับสําหรับพิสูจเราบอื่นจะทาก็ได้ที่หบองว่าเราใช้เป็นนิสกีแล้วใช่ไมเราทำวิธีกรรมศระได้คือมาฉันไม่ได้ใช้กับจุนไม่ได้แต่ใช้ทานนอกได้พิสูจ์เราให้เพื่อนไปนะครับเพื่อนเราก็ฉันไม่ได้นะแต่เขาสามารถใช้กับอามริวาติการก็ได้อนะครับพิสูจไม่หวังอะไรนี่ไนงะ ในการเจ็ดวันแล้วนะแต่ไม่หวังอะไรครับสนานน้ามันใดให้บรรลุบรรษำบันไปกลับได้มาอีกน้ํามันนั้นจะฉันก็คูนครับก็น้ำหนึ่งใหม่นะอันนี้เขียนว่าหมายถึงเพัศที่ล่วงเจ็วันไปแล้วสนานให้แก่บรรษำบันอีกอย่างหนึ่งอาบัตรย่อมมีตามจำนวนวัตถุในบรดาในสายที่เก็บไว้แยกกันเป็นต้องนะครับมันแยกกันแต่ละอยากแต่ละอย่างเลยไม่ได้รวมกัน และไม่เจือปนในภัชนะเดียวกันเราสามารถแยกได้ต่อไปนะครับสิกขาบทนี้เมื่อข้าช้าทรงปาระล้วผู้วิสุหลายลูกในเมืองสามวันทีบรรย่ยแล้วพ่อเรื่องคือการให้เพษั์เลยเจวันคำที่เหลือภูมิราบโดยนดังกล่าวกันแล้วในสิกขาบทที่หนึ่งแห่งทีล้วรรคจบการอธิบายเพศัตย์ช้าสิกขาบท ถ้าเกินเจ็ดว um we <c ough> ันไปแล้วตัวเก็เป็นอันบริสุทธิ์ไปทีเดียวสิคะบนนี้ต้องต้องทาใจให้ก่อนว่าจะไม่ฉันแล้วก่อนที่มันจะเกินดวันต้องทำใจให้ก่อนแล้วาเกินเจ็ดวันพวกเดนละเราต้องทําตั้งใจของนี่แเราจะไม่ฉันแล้วเราเก็บไว้ตรงนี้อ๋อไม่ยังเป็นไม่ยังเป็นเราตั้งใจว่าจะไม่ฉันนะไปทำอย่างอื่นนี่นะที่เนียวที่ถามเป็นอ่งอื่น เอามาในักเกินเจ็วันหือัเนไ้วค่นไปแลเก็บเป็นท้นเ่าไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะถ้าโยงสงสัยมาที่ว่าพระเนี่ยเอรับมันเปลวได้เอามเป็นยาใช่คะแต่ถ้าให้อนุสัมันธ์อ่ะตอนเช้าเนี่ยสามารถไปส้กับชาวบได้กอาหารฉันได้นอาหารได้มีกรณีที่พระ่ารับมันเจลมาแล้วให้อนุ อันจแยกะป็นส่วนต่างกันมัน่ยอสงสัยว่าอิสระเนี่ยตรงเนี้ยเอามาจัดรวเป็นอาหารห <c oughs> ขณะนั้นอธิบนรักแต่ให้สัสบาลจี น, นทำมาค่านนะค้อต้องฉันเฉพาะน้ำมันนะเ <c oughs> พราะว่างเนื้อดิบของดิบน้บําพ้งไม่ได้แล้วตัวเนดีนต่อไปครับวนี้ต้องกลับมาเนี่ยนะครับในชีสมาเดิร์กี้นะตัวนี้ท่านว่าอันเดียวเพราะว่าเหมือนกันครับกลับมาในชี้มอเดิรกี้นะรับ องอาบันนะครับนะองอาบาันสิครับอยูนี้มีองสามนะครับหนึ่งเพนสม์มมีในสายเป็นต้นเป็นของเราประเคนไว้ถ้ายัางไ ม, ม่ประเคนก็มปัญหานะแกเอาไว้ก่อนนะครับถึงเป็นขวดโหลอะไรนะนั่นก็ค่อยเน้นประเคน้วหน่นะัดนวะันต่อวนันในนี้อืมปัญหาทีนี้เราประเคนมาแล้วนะครับสองเป็นของของต้นดถ้าเป็นของเพื่อนเป็นไรของใครคนนะั้นรับผิดชอบไป สามเกตเลยเจ็ดวันถ้าครบองสามันเป็นอาบัติสิขาบทนี้ครับอาาบัติหนึ่งผูกใจไว้ว่าจะไม่บริพภะนี่เกินเจ็ดวันก็ไม่เป็นอาบัติครับสองแจกจากให้ไปก็มันมีเยอะให้มั่งก็ให้คนอื่นมั่นะครับสามสูญหายสี่เสียหายห้าถูกไฟไหมอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมหรือหายไปแล้วนะไม่นไรหกจรชินเอาไป แต่ที่สูจน์ถือวิสาสะพวกเราถือวิสาสาเไปแล้วนะครับก็ขาดของเราแล้วนะคนเราไปก็ไปรับผิดชอบเองนะครับแปดแห่งนุบสัมบัติด้วยจิตสละแล้วทิ้งแล้วไม่หึงใหญ่ได้คืนมาอีกเก้าวิกรจลิตสิทธิกรมมิกะไม่ต้องอา <Yeah. S 1> ่านบทแรอากต้นมันใหญ่มากเลยผู้กระทาเป็นครั้งแรกครับผู้ทําครั้ง ก็คืออะไรนะเพื่อนลูกสิทธิ์ของภาคินธรรมชาติาสมุทรฐามเป็นต้องเกิดทางกายวาจากายวาจาจิตนะครับเป็นอากิริยาต้องเพราะไม่กระทําถามว่าเนี่ยเป็นกายวาจาอย่างไรครับกายวาจาเป็นอากิริยาต้องเพราะไม่กระทํานะเอาว่าไม่มีจ Father, <Ice. S 1> yes, ิตนะถ้ามีจิตนะไม่มีจ <un> ิตเป็นยังไงกายกล้วาจา แค่การกบวาจา็นบานแบบคนนี้ได้แล้วนะเก็บเพสาไม่เกินเจ็ดวันแหะถ้าบอกว่ามันมีสมุทขาที่ทางเกิดขึ้นในอาบัต์น่ะคือทางการกบวาจาว่าไม่มีจิตม่มีจิตนานะนะครับไม่มีจิตคือเราไม่มีจิตนาที่ยังเกิดให้เก็บไม่เกินเจ็ดวันอาจจะน้าวันผิดอย่างนี้นะครับคิดว่ามันเพิ่งจะเจ็ดวันนะวันนี้วันที่แปดไปแล้วน่ะก็ต้องอาบัติเพราะว่าการกบวาจ่า เป็นกิจยาด้วยเพราะว่าอะไรมันให้คนอื่นไปถ้ามาให้คนอื่นไปเนี่ยด้วยการว่าวาจาหรือว่าศลารวมก่อนเช่นเราก็ม่มีปัญหานะนี่เราก็ไม่ได้ให้ใครครับย่างเก็บไว้หน่อยจนเกินนครับมันก็จะเป็นการเอาวาจานี่นะนี่ขอเขาดูแบงนะครับที่บางนี่น้ำดีนะกลางนี้ ถ้าการวาจาจิตมันถึงรู้ทั้งรู้นะตั้งใจจะให้เกินเจ็ดวันนะครับเก็บเอาไว้นะไม่ได้สละให้ใครนะด้วยการวาจาอี่เข้าใจไหมโนสัญญาวีมโมงไม่รู้ก็ไม่พ้อนอจิตตะกะนะจะรู้ไม่รู้ไ ป, นะปนไหนบ้างนะปณิตว่าช่างนะครการเก็บเพศสัมเนียร์ไว้เกินเจ็ดวันใจไม่ได้เป็นอกุศลอย่างเดียวนะในกรณีที่ไม่รู้พระบัญญัตินะครัการเก็บกรรมก็ได้ การเก็บไว้การยักรรมเพราะตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวเก็บไว้นะเพราะว่าเป็นอาคีเดียถ้าบอกว่าเป็นอาบาเพราะว่าเก็บไว้จริงๆเก็บไว้อะไรแต่ถ้าบอกเป็นอาคีเดียเพราะว่าไม่ยอมถำระเรีนเก็บไว้อยู่ครับการยักยอกไม่ได้ไม่ยอมสารนิการหรือว่าจีกรรมไม่ยอมชำระให้ถึงปริวาจามีจิตสามวิธนาสามดังนี้แหละนี้จบ